บ <Book> o <19. S 3> ๊กทสิบเก้ากบในห้องครัวชิฮอมชิฮมคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะว่าชิรฮาปะเจ้วิอ่ะ วฮปวี اب, ว, ว, วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะสดาเนปวุบชราฮสต์รสดาเนปวุบชราฮต์รคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารวเอิเล็กทริชิสววาฮาวมะกาซอุจร์ปิเรฮาร ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะสลตดร์กัสรสะซาสลาร์กัสะซแก้วน้ำอยู่ที่ไหนสเตกานร์ทดชอฮาสเตนรทเดชอเอฮาจานชามอยู่ที่ไหนช็กุฮร ทชอชออ่ชอ้อนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหนทีนชอช อ, ชอคุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะคนเซิร์ฟติชวีอานเซิร์ฟติชวีอา คุณมีที่เปิดขวดไหมคะบัชเรบจิชวีอาบชรบจิชวีอาคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะชาอุฟวีอาชาอุฟวีอ า, อาอคุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะล็สบสการบกาจเรรมชวานรอารา คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะเซบกาตบะคุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะัคเตเค เซรมกริอดิฉันกลังตั้งโต๊ะอันเ น, นคือมีดซ้มและชอนมาร์าร์เซจ มาร์ซูซีช์ครซัตซ์ช์ครฮุชิจิมส์ชุครนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากมาร์สเตกาช์ครยากาช์ครฮุชิอับเซช์ครมาร์สเตกาช์ครย а กาช์ครฮอ